ธรรมบทแปลเรื่องที่13เรื่องนางสุมนาเทวีข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรบนางสุมาาเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอธินันติเปจานันติเป็นต้นตอนอบรมลูกหลานให้รับหน้าที่ของตน ความพิสดารว่าภิกษุสอง0รูปย่อมฉันในเรือนของอนาถาปิฎิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวันในเรือนของนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็เช่นนั้นก็บุคคลใดๆในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประสงค์จะถวายทานบุคคลนั้นบุคคลนั้นต้องได้โอกาสของท่านทั้งสองนั้นก่อนแล้วจึงทำได้ถามว่าเพราะเหตุไร ตอบว่าเพราะคนอื่นๆถามว่าท่านอนาถปิณิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือเมื่อเขาตอบว่าไม่ได้มาย่อมติเตียนแม้ทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วทำว่านี่ชื่อว่าทานอะไรเพราะท่านทั้งสองนั้นย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์ และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์เมื่อท่านทั้งสองนั้นอยู่พวกภิกษุย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ประสงค์จะถวายทานจึงเชิญท่านทั้งสองนั้นไปท่านทั้งสองนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะอังคาาภิกษุทั้งหลายในเรื่องของตนด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นนางวิสาขาเมื่อใครครวญว่า ใครหนอแลจากดำรงในหน้าที่ของเราเลี้ยงภิกษุสงฆ์เห็นทิดาของบุตรแล้วจึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตนนางอังคาดภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขานั้นถึงท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีก็ตั้งทิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัฒธาไว้ก็นางมหาสุพัฒธานั้นทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ แล้วฟังธรรมอยู่เป็นพระโสดาบันแล้วได้ไปสู่สกุลแห่งสามีแต่นั้นท่านอนาถาพินิกะก็ตั้งนางจุลสุพัฒาแทนแม้นางจุลสุพัทานั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามีลาดับนั้นท่านอนาถาพินิกะจึงตั้งธิดาคนเล็ก นามว่าสุมนาเทวีแทนตอนนางสุมนาป่วยเรียกบิดาว่าน้องชายก็นางสุมนาเทวีนั้นฟังทำแล้วบรรลุสกะทาคามิผลยังเป็นกุมาริกาอยู่เทียวกระสับกระส่ายด้วยความไม่ผาสุขเห็นป่า น, นั้นตัดอาหารมีความประสงค์จะเห็นบิดา จึงให้เชิญมาท่านเศรษฐีนั้นพอได้ยินข่าวของทิดาในโรงทานแห่งหนึ่งก็มาหาแล้วพูดว่าเป็นอะไรหรือแม่สุมนาทิดานั้นตอบบิดาว่าอะไรเล่าน้องชายบิดาเจ้าเพ้อไปหรือแม่ธิดาไม่เพ้อน้องชายบิดาเจ้ากลัวหรือ แม่ทิดาไม่กลัวน้องชายแต่พ่อนางสุมนาเทวีกล่าวได้เพียงเท่านี้ก็ได้ทำกาละแล้วตอนท่านเศรษฐีผู้บิดาร้องไห้ไปทูลพระสัสดาท่านเศรษฐีนั้นแม้เป็นพระสุดบันก็ไม่สามารถจะกลั่นความโศกอันเกิดในทิดาได้ ทําการปลงศพของธิดาเสร็จแล้วร้องไห้ไปสู่สํานักพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสว่าข้าพดีทําไมท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้าอาบไปด้วยน้ําตาร้องไห้มาแล้วจึงกลับทูลว่านางสุมาณาเทวีธิดาของข้าพระองค์ทำการล้เสร็แล้วพระเจ้าข่าพระศัสดา เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงโศกความตายย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สรรพสัตว์ไม่ใช่หรืออนาถาปิฎิกะข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าค่าแต่ทิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตปาเห็นปันน้ในเวลาจุนตายนางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลยบนเพอตายไปแล้ว ด้วยเหตุนั้นโทมนัตไม่น้อยจึงเกิดแก่ข้าพระองค์พระสัสดามหาเศรษฐีก็นางพูดอะไรเล่าอนาตาปินิกะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เรียกนางว่าเป็นอะไรหรือสุมนาทีนั้นนางก็กล่าวกับข้าพระองค์ว่าอะไรน้องชาย แต่นั้นเมื่อข้าพระองค์กล่าวว่าเจ้าเพอ้อไปหรือแม่ก็ตอบว่าไม่เพอ้อน้องชายเมื่อข้าพระองค์ถามว่าเจ้ากลัวหรือแม่ก็ตอบว่าไม่กลัวน้องชายพอกล่าวได้เท่านี้ก็ทำกาลาแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกศิทธินั้นว่า มหาเศรษฐีธิดาของท่านจะได้เพอก็หาไม่ได้อนาถาปิณิกะเมื่อเช่นนั้นเหตุอะไรนางจึงพูดอย่างนั้นพระสัสดาพระท่านเป็นน้องนางจริงๆนางจึงพูดอย่างนั้นกับท่านก้าบดีก็ธิดาของท่านเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลพระท่านเป็นเพียงโสดาบัน ส่วนที่ดาของท่านเป็นสกทาคา ม, มินีพระนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผลนางจึงกล่าวอย่างนั้นกับท่านอนาถปิิกะอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่าพระศัสดาอย่างนั้นขา้าพดีอนาถปิิกะเวลานี้นางเกิดในที่ไหนพระเจ้าค่าเมื่อพระสัสดาตรัสว่าในภพดุสิบ กัาราบดีท่านเศรษฐีจึงกลาบทูลว่าทิดาของข้าพระองค์ที่เพลิดเพลิน อ, อยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้แม้ไปจากโลกนี้แล้วก็เกิดในที่ที่เพลิดเพลินเหมือนกันหรือพระเจ้าค่าตอนคนทำบุญย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองทีนั้นพระสัสดาตรักรสกษัตริย์นั้นว่า อย่างนั้นข้า บ, บดีธรรมดาผู้ไม่ประมาทเป็นกษัตริ์ก็ตามเป็นบรณชิตก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้ดังนี้แล้วตรัสพระกาถานี้ว่าอธินันติเปจันันติกระตะปุญโยอุพยัตถนันติปุญยังเมกตันตินันติพีโยนันติ สุขติงก็โตผู้มีบุญอันทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินเขาย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุขติย่อมเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนแกะอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า อธิความว่าความเพลิดเพลินในโลกนี้ด้วยความเพลิดเพลินพระกามบทว่าเปิดจะความว่ายอมเพลิดเพลินในโลกหน้าด้วยความเพลิดเพลินพระวิบากบทว่ากระตะปุญโญคือผู้ทาบุญมีประการต่างๆบทว่าอุปยัตตะความว่ายอมเพลิดเพลินในโลกนี้ ด้วยคิดว่ากุศลเราทําไว้แล้วบาปเราไม่ได้ทําเมื่อเสวยวิบากชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้าสองบทว่าปุญยญเมก ว, ว่าว่าก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกนี้ชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินเหตุอาศัยความเพลิดเพลินพระกามโดยเหตุเพียงสมณัตเท่านั้นว่าเราทําบุญไว้แล้ว บทว่าพโยเป็นต้นความว่าก็เขาไปสู่สุคติแล้วเมื่อเสวยที่พยสสมบัติตลอด57โกรปีบ้าง60แสนปีบ้างย่อมชื่อว่าเพลิดเพลิน อ, อย่างยิ่งในดุสิตบุรีด้วยความเพลิดเพลิน เ, เพราะวิบากในการจบคถาคนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้ว พระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องนางสุมนาเทวี